ก็ปฏิบัติต่อแต่ละคนตามสมมุติบัญญตัติคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่คนนี้เป็นครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อแต่ละคนตามสมมุติบัญญตัติแต่ในใจจะไม่สําคัญมั่นหมายว่าใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีคนเมื่อก่อนมีกลอนอยู่บทนี้จําได้ไหมคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนก็คนเลยแหละนั่นแหละก็อยากเห็นคนเป็นคนนอยากเห็นผิด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 รู้สึกว่าตัวเองมันหลงทั้งวันนะคะต้อง ม, มีเครื่องอยู่อันหนึ่งนะอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันจะร่อนเร่ไปแล้วเราไม่รู้ทันอกแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งสมมติเราอยู่กับพุโทโธพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุโทโธลืมพุโทโธนะเราเราลึกขึ้นได้ว่าลืมพุทโธไปแล้วมันจะรู้แล้วว่าหลงไปนี่พออยู่กับพุโทโธนานๆจิตสงบรู้ว่าสงบอีกเองต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่ง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 ก็ดูเข้ามาให้ถึงสภาวธรรมแท้ๆคือจิตใจของเราไม่ยากหรอกนะที่ยากเพราะว่าพยายามทำยัางยังยงตั้งใจไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ยังตั้งใจโมโหไหมไมันมันดื้อนะัก <laughs> บ่อยคะ่ะเออนะดูไปตรงนั้นเลยอย่าท้อใจนะมีหลายคนมาเรียนกับหลวงพอ่อ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 จนวันหนึ่งท้อใจนะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านนั่งรถทัวร์ไปนะไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วพอไม่ปฏิบัตินะั้นใจมันค่อยๆสบายขึ้นสบายขึ้นไปถึงกระบี่ตอนเช้าเรือไพนะรอาทิตย์ขึ้น ใ, นใจก็โผล่ขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยพบว่าจริๆงๆเราง่ายง่ายนิดเดียวนะพอบอกง่ายนิดเดียวบางคนบอกยากเยอะหาเรื่องเฉียงไปเรื่อยๆ จริงๆง่ายมากง่ายมากต้องบอกง่ายมากภาษาไทยนี่มันพิลึกนะอันนึงบอกนิดเดียวกับมากเนี่ยมันสุดขั้วกันนะแต่ความหมายเดียวกันรู้สึกไหมง่ายนิดเดียวง่ายมากรวมแล้วคือง่ายถ้าไม่ได้คิดว่าเราจะต้องดีคิดแค่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราจะรู้อะไรเกิดขึ้นในใจเราจะรู้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 ้็คนมันมีความสุขนี่จะทํำยังไงอ่ะ <c oughs> จะสอดให้มันมีความทุกข์หรือพอเราเห็นทุกข์นะเราเห็นกายเห็นใจเนี่ยทุกข์ล้วนๆเลยพอใจเราอยอมรับความจริงว่ากายกับใจเป็นทุกข์ล้วนๆมันมีแต่ความสุขนะครานี้มันอัศรรจรจรย์จริงๆแต่ยิ่งเราปฏิเสธเราอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขล้วนๆเนี่ยใจเรายิ่งมีความทุกข์ถ้าใจเราอยอมรับความจริงนะว่ากายกับใจมันทุกข์ล้วนๆเนี่ยใจกลับมีความสุขดูสิอัศจรรย์ มันกลับพัวกับหางอยู่ตลอดเวลานะกับความรู้สึกของเราน้องไงอีกมีไหมไม่มีส่งต่อไปกลับมมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแต่ยังไงจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ยังถูกต้องใช้ได้ไหมยังใช้ได้ดูไปเห็นกิเลสวัลลกีหุนละ่ะก็บ่อยค่ะแต่ยิ่งบ่อยยิ่งดีน ะ, ค, ะคนภาวนาเป็นจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลย คนภาวนาไม่เป็นกนะ็เห็นว่านานๆเกิดทีหนึ่งยกตัวอย่างคนภาวนาเป็นเช่นเพราะว่าจิตแอบไปคิดนะทุกๆวินาทีสองวินาทีหนีไปทีหนึ่งละแวบบแวบบแวบแวบอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนี่อย่างนี้ภาวนาเก่งคนภาวนาไม่เก่งนะแวบบแวบโบ <c oughs> น่โนไปถึงเย็นเลยนะอย่างนี้ภาวนาไม่เก่งนะเพราะงั้นเราภาวนายิ่งเก่งนะ่ยยิ่งเห็นกิเลสมากแล้วรู้เลยว่า คนที่ร้ายเท่าเราหายากในใจเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสูศสนเกิดน้อยเอาผู้สนเกิดมากเราะนั้นเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนั้นถ้าใครมาบอกว่าทั้งวันไม่เห็นมีกิเลสเลยมีแต่ความสุขใจอยู่กับความว่างเพระนั้นภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นใจอยู่ในความว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยสบายเผลอเผลอเพลินเพลิลล น, ลนใช้ไม่ได้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 จะได้แต่สมถะนึกออกแล้วค่ะมันมันรู้สึกเมื่อคืนนี่อยู่ๆมันก็รู้สึกเฮือกหายใจเฮือกแล้วมันก็ไปนิ่งอยู่เออนิ่งอย่างเนี้ยเลิกซะพยายามฟุ้งซ่านไหมพูดจริงๆนะรู้สึกไหมเนี่ยเลุดออกมาละอตอนนี้กะตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมใจมันปร่งกะตะกี้เห็นไหมใจมันโปร่งใจมันผ่องขึ้นมาละมันโปร่งออกมาเมื่อกี้มันซึมกระือ ของหนูยังบังคับอยู่หรือเปล่าคะไม่ได้ บ, บังคับเย่ะบังคับเราประคองด้วยปะคะว่าประคองไหมล่ะ อ, อถูกได้หลวงพ่อต้องถามเพราะอะไรเจ้า ต, ตัวต้องเห็นเองไม่ใช่ให้หลวงพ่อเห็นให้ะเราต้องเห็นสภาวะด้วยตัวของเราเองถึงจะทํำวิปัสนาได้ะแต่ถ้าเราหลวงพ่อบอกให้ไปเรื่อยๆนะเราไม่เห็นเองใช้ไม่ได้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 เข้ารู้ลงไปเรื่อยจนใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละเนีนเบื้องต้นเราก็รู้สภาวะไปทีละอันทีละอันที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรารู้ไปเรือ่อยๆทีละอย่างทีละอย่างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวโหดถูนะดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วถ้าใจเป็นกลางเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราว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 สภาวะที่เพ่งอยู่นะกับสภาวะที่กลับมารู้สึกตัวก็เป็นคนล้านหรือเพ่งอยู่แล้วเผลอไปก็เป็นคนล้านการที่เราเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมันแตกต่างกันนะีแต่ละตัวนั้นแหละถึงจะแสดงไตรลักษณ์ได้เั้นต้องเห็นเป็นตัวตัวนะถ้าเห็นเป็นฝูงฝุงยังไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเนี้ยสมมตินั่งกันอยู่พันคนหมื่นคนนะคนนึงเกาคนนึงยกยิกอะไรเงี้ยดูไม่ออก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 ขาสติวูบแล้วบอกบรรลุพระโสดาบันนะนั่งต่อไปวูบครั้งที่สองได้ส ก, กิถาคาวูบครั้งที่สามนะเป็นอนาคาวูบครั้งที่สี่เป็นพระราหารันกลับบ้านเจอสามีด่าดาดตอบมันนี่พระราหารันหันหน้าคนอื่นไปแล้วด้วยฝ่ามือนะมีนะมีเยอะนะเนี่ยทีมเนี้ยมีเยอะเลยหันหันหันไปหันมาแล้วซัดเอาสามีก็เละเทะไปแล้วพระราหารันโมโห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 ธรรมะมันเป็นตามคนฟังอผู้กำกับส่งกันบ้านหน่อยเอาไมโครโฟนออเดดดี้เด้ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดค่ะอาวาดไปอย่างยังเวลาอา่ดูเนี่ยค่ะจังหวะที่พอเราเห็นแล้วเพิบสติเกิดมันก็คือแวบเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประคองแล้วะคะ่ะก็ให้รู้ไปแล้วก็เริ่มอัดแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะ อ, อช่วย ไ, ไดก้ก็อยากไปฝึกไว้เอง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 ใจซึมแล้วก็ซึมมันซึมนานต้องอาศัยแม่บ้านช่วยช่วยช่วยสะ ก, กิดครับจิตก็จะตื่นขึ้นมาบ้างเป็นเป็นครั้งคราวผมผมจะรอดไหมครับพ่อครับรอดสิแม่บ้านสะ ก, กิดให้บ่อยไว้สาธุครับค่อยๆไปนะจิตจริงๆแล้วงานเอกสารงานอะไรนะหลวงพ่อก็ทําเยอะเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคง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 คนข้างบ้านโทรมาบอกไฟกาลังจะไหม้บ้านคุณแล้วลามมาจะถึงแล้วเราก็ตกใจจ ะ, จะรีบกลับบ้านคนหน้าแ็บอกว่าบ้านเธอเล็กนิดเดียวไหม้ไล ม, ม่เห็นจะเป็นไรเลย <c oughs> <c oughs> เรื่องจริงนะโอ้อัศจรรย์อีก <c oughs> อีกคราวหนึ่งพี่สาวโทรมาจากศรีลาดนะพ่ออยู่ห้องไอซมาเร็วๆมาเร็วๆกำลังจะขาดใจแล้วนะเราก็ตกใจรีบรลุกไป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 สภาพจิตผมดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับตู้ครับอ่าคุณแต่คุณแตะมากเอยเอาไหมมีไหมอ่ะส่งไปทางโน้น <c oughs> ก็รู้สึกงานยุ่งค่ะที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าจิตใจ <c oughs> <c oughs> งานยุ่งก็ช่างมัน <c oughs> ใจไม่ยุ่งก็แล้วกันเวลาเราต้องคอนเซนเทรตกับ ง, งานล้วก็ตั้งใจทำไปพอขี้เกียจ ร, รู้ทัน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 ลกมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ลูกเจ็บป่วยนะเราดูแลถ้าเราได้ดูแลคนที่เรารักเราก็จะมีความสุขทําใจอย่างนี้เพราะฉั้นไม่ว่าเราทําอะไรเราก็มีความสุขได้อยู่ที่การวางใจเพราะนัวางใจให้สบายวางใจให้ดีแล้วมีความสุขก็มีความสุขแล้วแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงรู้กายรู้ใจไปอย่าดํารงชีวิตด้วยความหดหู่ท้อแท้นะ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 ค้าขายดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็เราก็เอามาดูใจที่แปงขึ้นแปงลงเคยมีนะบางคนค้าขายอยากมาฟังเทศ ay, ลูกค้ามันมาเยอะลาคาญวันนี้ไม่อยากให้มาจะไปจะมาฟังเทศบ่ายๆค่อยมาก็ไม่ได้รีบตะลีตรลานมากินอะไรแต่เช้าพ <laughs> อ บ, บ่ายไม่มีลูกค้าเลย <laughs> อยากให้มันมาอีกแล้วอยากให้มาอีกแล้วไม่มีความสุขอีกแล้ว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 จิตใจที่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยเนะี่ยเท่ากับเราทําการบ้านทั้งวันดีกว่าคนมาอยู่วัดบางคนซินั่งสมาธิแล้วก็เคลิม้มสามวันสมคืนนั่งอยู่แคนะ่นะั้นนะข้าวปลาลืมกินไปน้ําไม่อาบนะมีความสุขโอ้ตื่นขึ้นมาสดชื่นตาเยิ้มอยู่นะเยิ้มเนี่ยจะเคลิมแบบคนติดยาเห็นแล้วอยากเบิร์ตกลกนะนะนะต้องรู้สึกรู้สึกนะ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 เครียดมากเลยงานถ้าทําอะไรผิดพลาดนะบ้านเมืองอาจจะเสียหายคนอาจจะตายทั้งเยอะก็ได้เหมือนอย่างวางนโยบายพลาดเใชนไหมปักใต้ฆ่ากันมาตั้งกี่ร้อยคนแล้วเวลาทํางานพลาดนะมันเสียหายเยอะนั่นเป็นเครียดแต่ว่าเราหัดรู้หัดดูนะสักพักเดียวเองหัดดูอยู่พักเดียวเราเดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้เหมือนเดิมแล้วตอนทําสมาทาเราก็ยิ้มกับสายลมแสงแดดนะ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 เมื่อสองวันมานี้ค่ะก็เมื่อเมื่อสองวันมานี้ค่ะมันมีโทสะตกค้างคือเข้าใจว่ามันเกิดจากอัตตามานะข้างในค่ะทีนี้ก็ก็เลยมีมีข้อสงสัยอค่ะขออนุญาตถามมหาว่าตัวอัตตามานะเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นตัวตนที่เป็นความหมายเดียวกันกับคําว่าสักกายะทิฏฐิหรือหรือเปล่าคะเปนคนละนกันตัวทิฏฐิคือตัวความเห็น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 มันรู้แบบภาคไปมันก็ไม่ได้แบบยังไงอะครับเหมือนว่าสักแต่พูดในใจครับว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้มันรู้จริงหรือเปล่าอะครับให้เรารู้ความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปได้วยเมื่อมันรู้ความรู้สึกแล้วมันจะภาคเนี่ยเป็นเรื่องปกติใจของเราในขั้นนี้ยังภาคอยู่เ<ม>ช่นมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธแล้วใจมันจะรีบภาคะไยเนี่ยความโกรธเกิดลวอะไรเงี้ย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 แต่ผมอยากทำฌานไงครับก็เลยต้องต้องเป็นตัวตนขึ้นมาครับก็ใช่สิถ้าทำฌานมันก็เป็นตัวตนอย่างพวกฤษีชีไพรไงเ้าเลยเชื่อว่ามีอัตตาจิตนี้เป็นอัตตาเขาทำฌานแล้วก็เลยสำคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นอัตาพอร่างกายแตกสลายนะจิตที่เป็นอัตตานี้ก็ไปรวมอยู่กับพระเจ้าไปเป็นพรมเป็นอะไรงั้นไปงั้นถัดทาฌานก็ดีมีความสุข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 ต้องมีทั้งสมสถะทั้งวิปัสสนาควบกันนะในขณะเดียวกันเลยไม่มีอันใดนหนึ่งหรอกบรรลุด้วยอันใดนหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีใดแต่ว่าคนบางคนทําฌานก่อนพาทาฌานจิตสงบตั้งมั่นแล้วนี่ให้มารู้กายอพิจณากายลงไปมารู้ลงในกายยืนเดินนั่งนอนรู้ให้มากๆเข้าไว้แล้วไปจิตรวมลงมาเห็นกายสลายไปหมดละเหลืหอแต่จิตอันเดียวก็เข้ามารู้จิตต่อเดินอย่างนั้นก็ได้ทางใครทางมัน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 อย่ามัวแต่เพ่งอยู่ที่มือนะเดี๋ยวคิดตังผิดโอต้องต้องต้องดูที่ใจอย่างเดียวใช่ดูความรู้สึกของเราไปคว า, ความรู้สึกของเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเช่นอากาศร้อนขึ้นมามันหงุดหงิดใช่ไมคดมควนันรถยนต์มากๆมันหงุดหงิดหรือหายใจหายคอไม่ค่อยออกเนี่ยไม่สบายใจแล้วรู้ว่าไม่สบาย ม, มีบ้างไหมที่เห็นคนขับรถมาแล้วหน้าตาดีๆอุอ๊เยอะเลยครับ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 ลดราคาบ้างได้ไหมครับบางครั้งก็เห็นอัตราตัวตนของคนที่แบบขับรถเบนซ์อะไรเงี้ยเขาแสดงอีโก้ออกมาแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ดูไปหน้าเหน็ดอนาตแล้วเราดูไปแล้วก็รู้สึกภูมิใจโอ้กูเก่งไหมกูดูมึงออกแล้วมีเหมือนกันครับเนี่ยดูของตัวเองนะครับผมว่าได้ดูอีโก้ขาดื่นคือบางครั้งผม